บทภาชนีติกัปาจิตตีเจ็ร้อยเกระเทียมภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกระเทียมฉันต้องอบัตปาจิตตีกระเทียมภิกษุณีไม่แน่ใจฉันต้องอบัตตาจิตตีกระเทียมภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่กระเทียมฉันต้องอบัตปาจิตตีทุกๆุกกฏไม่ใช่กระเทียมภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกระเทียมฉันต้องอบัตทุกกฎ ไม่ใช่กระเทียมพิกษุณีไม่แน่ใจฉันต้องอาบัตทุกกดไม่ใช่กระเทียมพิกษี่ี่สำคัญว่าไม่ใช่กระเทียมฉันไม่ต้องอาบัต